ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายรายการพระสูจ์ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องมา้าสีีนาพิสูตรต่อจากที่ได้กล่าวมาสองครั้งแล้วในตอนต่อไปนั้นได้สรงแสดงถึงกำเนิดของชีวิตในโลกทั้งปวงไว้เป็นสี่กำเนิดคือเกิดในคันเกิดในไข่ เกิดในของสกปรกและเกิดโดยผุดขึ้นซึ่งกาเนิดทั้ง4ประการนี้3กมกเนิดแรกคือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกปร ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่าติดใจปัญหาที่น่าติดใจมากเป็นพิเศษก็คือประเภทที่เรียกว่าโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้นท่านอธิบายว่าได้แก่กาเนิดของ เปรของอสุรกายของสัตว์นรกของเทพของพรหมเป็นกําเนิดที่เกิดมาโดยไม่ต้องเป็นบินอยูชนไม่ไม่ต้องเป็นเด็กคือไม่ต้องผ่านวัยทารกมาก่อนและเวลาตายร่างกายก็จะหายไปโดยไม่ได้ทิ้งซากเอาไว้ตรวนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยทิฏฐิจักสุด้วยพระยานของพระองค์ ที่เราเรียกกันว่าโล ก, กวิทูคือรู้แจ้งโลกสรงแสดงสรงแสดงสัตว์ตวโลกประเภทนี้เอาไว้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่จำต้องจับหลักของรัฐากตะโพธิสัทธาอย่างที่พูดอยู่เสมอเพราะอดไเพราะว่าในตอนหลังจากนั้นในตอนหลังจะถึงตรงนี้แล้วไปสรุปเอาไว้ วราการที่พระองค์ทรงชี้แจงแสดงเรื่องทั้งหมดนั้นโปรง่งเหมือนคนที่เคยเดินไปบนหนทางเหล่านั้นแล้วแล้วก็กลับมาบอกแก่คนที่ยังไม่เคยเดินไปว่าบนหนทางนั้นมีอะไรบ้างมีหลุมมีบ่อมีสถานที่พักอาศัยเป็นต้นอย่างไรเพราะั้นปัญหาประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อในพระญาณของพระพุทธเจ้า เป็นฐานใจที่มีความสำคัญดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอและในตอนต่อไปก็ทรงแสดงเรื่องคติทั้ง5อย่างที่ว่ามาแล้วคติคือสถานที่ที่สัตว์จะต้องไปอุบัติคือครรมสัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นจะต้องหมุนวนกันอยู่ในคติทั้ง5ประการนั้นซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการแสดงที่แปลกออกไป าบางครั้งบางคราวก็แสดงมากกว่านั้นแต่ในที่นี้ก็ส่งแสดงเพียงห้าคือนิรยัคติได้แก่คตินรกแล้วก็ดิรรชานโยนิกำเนิดสัตว์ดิเราชานปิติวิศยภูมิแห่งเปรตแล้วก็มนุษย์กเทวดาถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการแสดงในลักษณะนี้ก็หมายความว่าพวกอบายทั้งหมดก็อยู่ในกลุ่มสามข้อแรก มนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์แล้วก็เทพทั้งหมดจนถึงพรหมก็อยู่ในขามาเทพยันที่เคยกล่าวเส ม, มอว่าธรรมะถ้าทรงแสดงน้อยความหมายจะมากถ้าทรงแสดงมากความหมายในแต่และข้อจะบีบตัวลงมาคล้ายๆกับว่าเช่นทรงแสดงถึงถึงเบธนาเนี่ยว่าสุขสมานัททุกโทมานัท คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไอ้สุขมันก็หมายเฉพาะสุกกายเท่านั้นเองทุกโสมนัสก็หมายถึงสุกใจทุกก็หมายถึงทุกกายโสมนัไอ้โทมนัตก็หมายถึงทุกใจแต่ถ้าหากแสดงสุกทุกเฉยมันก็หมายทั้งกายทั้งใจคือธมาแสดงน้อยแต่ความหมายมากแสดงมากความหมายจะบีบลงมาคือจะขีดวงของแต่และองค์ธรรมไว้ในขอบข่ายและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ในที่อื่น นี่นี่นี่เป็นหลักกำหนดสังเกตเอาไว้โดยตลอดได้เลยดังนั้นเรื่องคติก็เหมือนกันเวลาแสดงโดยภพภูมิอย่างที่เคยศึกษากันมาว่ามีถึงสามสิบภพภูมิแต่ในที่นี้แสดงไวเง้เพียง 5, เพียงห้าเพียงหข้อเท่านั้นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าได้ทรงแสดงว่าพระองค์ทรงรู้ซึ่งคติเ่านั้น ปกติแต่ละกตินั้นอยู่กันยังไงสภาพชีวิตเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและรู้ถึงทางที่จะดำเนินไปสู่กติเหล่านั้นคือไปเกิดในกำเนิดเหล่านั้นรู้ถึงข้อปฏิบัติคือข้อที่สามนี่รู้ถึงข้อปฏิบัติเพราะคนปฏิบัติอย่างไรจะไปบังเกิดในที่นั้นปฏิบัติอย่างไรจะไปเกิดเป็นสัตว์ดิบชางเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือเป็นมนุษย์หรือเป็น เทวดาเป็นพรมเป็นตนซึ่งข้อนี้ธรรมะก็ได้แสดงไว้โดยในยะที่เรียกว่าอนเนกกระปรยายอย่างที่มาเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาทรงแสดงอานิสงส์อนิสงส์หรือโทษจะแสดงสองฝ่ายนะฮะธรรมะก็จริงๆก็กุศลกับอกุศลหรือแสดงในอนิสงส์กับโทษ ถ้าระดับศีลธรรมจัญญาคือการปฏิบัติธรรมดาธรรมดาระดับศีลธรรมในข้อสุดท้ายนั้นจะทรงใช้คําว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าโลกสวรรค์ไหนเพราะไม่แน่บาบุญมากมายขนาดไหนก็ต้องถ้าจะเจาะจงพบภูมิก็ต้องว่ากันเป็นรายๆมันขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญแล้วก็เหตุปัจจัยต่างๆอย่างที่เคยกล่าวโดยพิสดารในมหากรรมวิพังกสุ แล้วก็ในชั้นที่ประนีตขึ้นไปคือไม่ถึงมรรคผลที่ผ่านาชั้นของผลจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยทั้ง40อารมณ์จะเป็นอารมณ์ใดก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรคือยังไม่เป็นพระโสดาบั น, นต้นก็จะทรงแสดงว่าพรหมโลกูปโข ค, คือเข้าถึงพรหมโลกคือจาบัตในพรหมโลก ซึ่งก็เป็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะนำสัตว์ทั้งหลายให้ไปอุบัติบังเกิดตามสมควรแก่กรรมของตนนี่เป็นเป็นเป็นข้อที่ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระาญาณทั้งหมดเทีนี้ในชั้นที่ละเอียดลงไปคือทรงแสดงว่าพระองค์นั้นมีความรู้ถึงความคิดจิตใจของสัตว์ทั้งหลาย พระสัตว์เหล่านั้นก็คิดยังไงก็มีความคิดยังไงในขณะนั้นๆแล้วก็จะทรงแสดงธรรมะไปตามตามพื้นฐานความคิดจิตใจของคนในในขณะนั้นอย่างที่เคยกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงมีสิ่งที่เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารคือทายใจคนได้รู้จักใจคนแล้แสดงธรรมะก็ยักย้ายไปเรื่อยคนนี้ก็มีความคิดอย่างนี้มีพื้นฐานความเข้าใจอย่างนี้ก็สอนกันอย่างนี้ แล้วคนนั้นเขาก็เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ธรรมะคร้งนี้จะเอาไปสอนเรื่อยไปเพราะในที่บางแห่งคนเขาไม่เข้าใจตัวองก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็สำคัญว่า <c oughs> แม้แม้วิธีการจะสอนวิธีการสอนจะแตกต่างกันโดยมากแต่ว่าก็มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความทราบซึ้งแก่บุคคลเล่านั้น ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงโดยอุปมาเปรียบเทียบอย่างที่เคยสรุปให้ฟังในวันแรกว่าไอ้พบภูมิเหล่านั้นพ อ, อก็จริงเราก็เห็นเฉพาะมนุษย์กรรษัตริย์ดิเรชานอีกสามภูมิเลยไม่รู้อะไรเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์ก็ทรงแสดงโดยอุปมาให้เราดูเอาไอ้ดูก็ดูได้ในโลกนี้ทั้งหมดเลยสิ่งที่ดูเอาคืออุปมาภูมินรกนั้นเหมือนกับหลุมฐานเพลิง เราก็มองเห็นภาพหลุมฐานเพลิงอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาพวกเผาอิดเผาไอ้ภาชนะดินต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะคือพูดถึงหลุมฐานเพิงในอินเดียมันเห็นเห็นภาพทันทีเลยเพราะมีงานได้เกี่ยวกับการเผาดินเนยอะก็นึกดูว่าถ้าคนตกไปในที่นั้นมันจะมีสภาพเป็นอย่างไรแต่เขาก็อยู่เข้าได้อย่างที่เคยบอกว่าเป็นกรรมโยนิกรรมปฏิสรโน คือเป็นกําเนิดของเขาแล้วก็กรรมเขาก็กาหล่อเลี้ยงไว้เขาก็อยู่เขาได้ประการต่อไปทรงอุปมาเปรดไม่ใช่อุปมาสัตดิเรศานอุปมาสัตดิเรศานคือกําเนิดสัตดิเรศานเหมือนกับหลุมหลุมคูดคือหลุมที่มีแต่ความแปดเปื้อนมีแต่ความสุกรปรกต่างๆแต่ดิเรศานชีวิตของสัตดิเรศา น, นั้นดิเรชานะแปล ว, ว่าจเจริญไปตามขวางของโลก ไ ม, ไม่ได้มีพัฒนาการในด้านจิตเพราะพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉานจึงมีลักษณะซ้ําซ้อนคือการกินนอนเป็นสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานของสัตว์โลกแล้วก็มีการเบียดเบียนการเข็นฆ่าการรุสรานการระแวงภัยว่าจะหลุดรอดขึ้นมาได้ก็เราก็ดูเห็นภาพของสัตว์เหล่านี้อยู่ด้วยความหวาดความกลัวความสะดุ้งต่างๆส่วนเปรต น, นั้นทรงอุปมาเหมือนกับ พื้นที่ที่ครุขระแล้วก็มีต้นไม้ไม่ค่อยมีใบซึ่งคนที่เกิดในภพในภูมินั้นก็มีแต่ความยากลำบากความทุกข์ทรมานอันนี้ถ้าเราไปดูในเปตวัตถุแล้วมันก็มีเยอะเหลือเกินนเปรดิดมีสิบรู้สึกจะสบสองชนิดติกัน้วแสดงไว้โดยพิสดานหรือเล่าไว้โดยพิสดานตอนนี้กำลังแปลอยูอ่ท่านผู้แปลยัง ท่านเป็นป ร, รียง9้าประโยคฮะจนออกไปรับราชการแล้วก็ปลดเกษียณแล้วก็มาช่วยงานมาอยู่แบบนี้แตถ้ากำแปรแล้วท่านก็ไปบ่นอยู่ด้วยโอยเสียดายนี่ถ้าแปรมาสากักสี่ห้ปีที่แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าเมื่อมีการเผยแพร่บ่อยๆแล้วก็มีการพิสูจน์มีการศึกษากันแล้วก็นํามาเผยแพร่เนี่ยก็ทาให้คนกลัวบาปมากยิ่งขึ้นอาชญากรรมต่างๆที่ไม่ควรจะเกิดก็คงจะไม่เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่นำมาเผยแพร่มันมีเปรตต ว, วัตถุ ก, กับิมาณวัตถุนี่ที่จริงมันก็น่าจะมาเผยแพร่ได้มากแต่คนสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยจะเชื่ออย่างเมื่อวานเนี่ยมีศึกษาธิการจากรู้สึกจะจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์หรือชัยนาเนี่ยก็ส่งหนังสือมาอบประรบถึงแผนทำลายพระพุทธศาสนาแล้วก็ก็เสนอแนะแนวในการอธิบายธรรมะ ถ้าจมาอ่านแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าคนคนนี้อ่านหนังสืออยู่สองสองสำนักท่านเองคือสันติอโศกกับท่านพุทธทาสแนวความคิดมันก็ออกนอกพระไตรปิฎกไปเยอะหน่คือคือบอกว่าพระพุทธศาสนาที่ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะเรามัวสอนเรื่องชาติหน้ากันจนถึงก็หมายความว่าต้องมีชาติเดียวมันก็เป็นอุเฉตทิจิคือถือว่าขาดศูนย์ไปเลยแนวความคิดเหล่านี้ มันก็เป็นคนที่คิดด้วยระบบการศึกษาสมัยใหม่แต่ไม่ได้มีการฝึกปรือไม่ได้ปฏิบัติมาในด้านจิตใจจึงไม่สามารถที่จะเห็นเข้าใจอะไรในระดับที่ลดหลั่นลงมาได้คือไม่ถึงก็เป็นญาณหรอกแต่ว่าถ้าเราใช้หลักของสมาธิปฏิบัติไปเราก็จะพบจะเข้าใจจะเห็นเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นเรื่องของความจริงที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าศัสรุลไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นแต่ก็เห็นว่า เป็นปฏิปทาที่จะนำคนให้ประสบความสุขและความทุกข์ในชั้นของสังสารวัตรจึงเป็นผลที่ศาสนาจะต้องรับผิดชอบต่อศาสนิกของตน ก, ก็แสดงไปตามหลักของเหตุผลและความจริงดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังสารวัตรคือพบหน้าชาติหน้าเนี่ยพระพุทธศาสนาปฏิเสธไม่ได้แร้เพราะมันมีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนา แล้วพระพุทธเจ้าเองก็ทรงรู้ด้วยพรายานอย่างที่บอกว่าเป็นปรายานที่ทรงรู้ตั้งแต่คืนตัสรูนนั่นเนมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแั่นั้นแต่จากการจะยกสวรรค์นรกมาให้ดูนี่มันก็เอากันไม่ได้ก็เลยก็ต้องดูให้อุปมาให้เห็นเราก็มองภาพเอาเองว่าถ้าเราต้องตกไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นไปอยู่ในป่าปลงแล้วพื้นก็ครุขระอากาศก็ร้อน นั่งข้างล่างก็เจ็บข้างบนก็ร้อนเนี่ยมันทุกข์ทรมานขนาดไหนส่วนมนุษย์นั้นก็ทรงอุปมาเหมือนป่าไม้ร่มรื่นมีใบหนาปกคลุมในที่ทั่วไปแต่ไม่ได้พูดถึามนุษย์อยู่ในป่านะพูดถึามนุษย์นั้นเหมือนกับคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แวะไปพักในป่านั้นซึ่งก็ได้รับความสะดวกสบายในระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เป็นที่พักจริงๆคือเราอยู่ในป่าตลอดไปไม่ได้เราก็ต้องออกมา ความสุขความทุกข์ในในโลกมนุษย์จึงมีสลับปนคร่า ก, กันไปสุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกขก์มันก็หมุนวนกันอยู่แม้แต่ว่าจะอยู่ในที่สะดวกสบายยังไงฐานะร่ำรวยยังไงก็ตามมันก็มีสุขทุกข์สุขทุกข์อยู่เนี้ยมันมีขึ้นลงขึ้นลงอยู่โดยไม่ไม่มีอะไรที่ยืนอยู่ได้เลยสุขเองก็ไม่ยืนทุกข์เองก็ไม่ยืนเป็นสุขที่เรายอมรับมันเกิดขึ้นจากความพอใจของเราเท่านั้น ในแง่หมันก็ถือว่าเป็นความสุขแต่ว่าในแง่ที่เป็นไตรลักษณ์จริงๆอย่างที่เคยบอกว่ามันก็เป็นความทุกข์ไอ้ตัวความสุขเนี่ยมันเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเกิดมาจากปัจจัยปรุงแต่งมันอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้แล้วว่าจริงๆมันก็แผดเผาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นอาการของไตรลักษณ์ทั้งสองสข้อด้วยกันจึงความสุขในชั้นโลกจึงถือว่าเป็นสมมติเอาเกิดขึ้นจากความพอใจของเรา เรากําหนดลงไปไม่ได้ว่าอย่างไงสุขอย่างสมมติว่าจะนั่งกรรมฐานเนี่ยหรือว่านั่งฟังเทศในบทก็นั่งอย่างไงรจะเรียกว่าสุขเรียกว่าสบายมันก็ไม่แน่เรากําหนดลงไปไม่ได้บางคนว่ากัดสมาธิสบายบางคนนั่งพระเพียบสบายบางคนต้องพิงศอบางคนต้องพิงฝาผนังบางคนนั่งเก้าอี้มันก็แล้วแต่เรากําหนดตายตัวลงไปไม่ได้ว่าอะไรคือความสุขเพราะเกิดขึ้นจากความพอใจของบุคคลผู้นั้น เขพอใจเขว่าสุขไม่พอใจก็ว่าทุกข์แม้คนอื่นจะพอใจจะบอกว่าสุขทั้งหมดแต่เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็บอกเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตัวแท้มันนั่นเป็นเรื่องเกิดขึ้นจาก อ, อารมณ์เกิดขึ้นจากการกําหนดหมายของบุคคลแต่ละคนเท่านั้นมนุษย์จึงกลายเป็นคนเข้าไปพักผ่อนไอ้ตอนพักผ่อนมันก็ได้สุขแต่ต้องเดินอีกเดินอีกมันก็ร้อนอีก พอพักขอมันก็ได้ได้สุขอีกเราเร า, เราจึงมองเห็นภาพของชีวิตว่าชีวิตของคนเราก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงกันอย่างนี้ไม่ว่าใครกันตามก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาแต่อาศัยที่เราเรียกว่าอยู่ดีมีสุขนั้นก็คือไอ้ความทุกข์ที่มีลักษณะแผดเผาไว้ร่าร้อนมันก็น้อยสิ่งที่เรียกว่าความสุขความพอใจของเรามากเราก็เรียกว่าคนนั้นก็อยู่ดีมีสุขแต่แท้ที่จริงบางทีมันก็มีแต่ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมากเหมือนกันออทรงอุปมาสวรรค์เหมือนกับปราศาสตร์ที่ว่าปกปิดไว้ด้วยดีภายในตกแต่งประดับประดาไว้สวยงามสวรรค์นั้นจึงวัตถุจริงมันก็แปลว่าอารมณ์เลิศนะฮะก็ออกมาจากคำบาลีว่าสังอคะอคะก็แปลว่าเลิศสังก็ดีแต่สันสกิต ก, ก็สระคะก็แปลเหมือนกันนะฮะแปลว่าอารมณ์เลิศซึ่งก็หมายถึงว่า ถ้าเรามองในรูปของชีวิตรูปของชีวิตก็คือการได้พบเห็นมีสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษก็เรียกอารมณ์เลิศมีได้รูปเห็นรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิน่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าพอใจจิตใจก็สบายก็ถือว่าอารมณ์เลิศมันก็เป็นสวรรค์ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็สัมผัสได้ในโลกมนุษย์อย่างที่เคยกล่าวแล้ว แต่บางส่วนหนึ่งนั่นเป็นพบเป็นภูมิจริงๆเลยส่วนจะตั้งอยู่ที่ไหนในทางภูมิศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แสดงไว้เพราะอะไรเพราะตอนนี้นแสดงกับภาษาดิบุตรสแสดงในถ้ำกลางพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะต่างองค์ต่างก็รู้อยู่แล้วส่วนที่จริงในตอนนี้ทรงทรงแสดงคติมาแค่สวรรค์เท่านั้น ไม่ได้พูดถึงพรหมโลกแต่เวลาอุปมานั้นทรงอุปมาถึงนิพพานไว้ด้วยถึงภาวะที่เรียกว่าภูมิเป็นโลกุตระภูมิซึ่งเหมือนกับป่าที่ร่มรื่นมีสระน้ำมีทาน้ำไหลสบายมีลมพัดผ่านเนี่ยลักษณะของพระนิพพานก็คือความโปร่งเบาสบายไม่มีอะไรที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าที่เรานิยมเข้าไปนั่งกรรมฐานกันในป่านี่เพราะอะไรเพราะต้องการตัดของเราไอ้มันน้อยลงอยู่ในบ้านนั้นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่งกรรมฐานแล้วเป็นห่วงเอ๊ประตูปิดได้ยังปลักไฟถอดได้ยังลกูกนอนหลับได้ยังอะไรยุ่งของเราแยะเลยเลยก็ไปอยู่ในในป่าเลยในป่านั้นไม่มีอะไรเป็นของเราจิตใจมันก็ส ง, งบเป็นสมาธิได้ง่าย แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ไปนั่งกลัวผีตัวสันอยู่ในป่าก็ได้เหมือนกันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการปรับใจเราจะปรับใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าปรับใจไม่ได้มันก็ไปนั่งหวาดผวากันในที่นั้นแต่ในที่นี้นั้นทรงสแสดงถึงสภาพของจิตที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงถึงทางส ง, งบท่านได้สัมผัสมาแล้วมันก็มีลักษณะที่อิสระโดดเดี่ยว คือไม่มีปัญหาไม่มีอะไรในลักษณะที่ปรุงประังนี่ก็ทรงแสดงโดยอุปมาแล้วต่อไปก็ได้รับสั่งเล่าถึงการบะเพ็ญทุกรกริยาของพระองค์อย่างที่เคยสรุปไปฟังในวันก่อนว่าปัญหาว่าทำไมจึงต้องแสดงก็เพราะว่าท่านสุนัขตะนั้นท่านไปเกิดนิยมชมชอบปริพายชกคนหนึ่ง ที่บำเพ็ญสุนัขวัดเราก็ถือว่าบําเพ็ญที่พิเศษและพระเจ้าก็รับสั่งเล่าถึงว่าแท้จริงพระองค์ทํามาแล้วทั้งหมดเจ็ดว่าประพฤติเศร้ศาหมองคือเราดูไปไปไ ป, ไปอ่านแล้วที่ทรงเล่าโดยพิจารณาจริงนะฮะอัานแล้วยังนึกสงสารรลวงว่าเออก็คือไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าที่ไปทํานั้นบางเรื่องในน่ากลัวเลยรัน เช่นว่าพระพฤทธเศ้าหมองในเศ้าหมองจริงเลยน้ำท่าไม่อาบปล่อยให้หมกทุลีจนเต็มคืาเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้ทุลีออกมาเป็นแผ่นนะขี้โครนขี้ฝุ่นอะไรที่จับพระบรรการออกมาเป็นแผ่นๆทำไมต้องไปทำเช่นนั้นเพราะสมณพราหมณ์ในสมัยนั้นเขายืนยันเขายืนยันว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยอย่างนี้ด้วยวัดปฏิบัติอย่างนี้ด้วยด้วยการทาตัวให้เศร้าหมอง ด้วยการทรมานร่างกายโดยการกลั้นลมหายใจด้วยการอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยการอาบน้ําด้วยอะไรต่อเมีอะไรในมากกว่าได้เกิดซึ่งเรอาเองตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรมันคือทางไม่รู้อะไรคือทางก็ต้องทดลองเรื่อยไปเลยบางทีก็อดอาหารอย่างพระปางพระพุทธรูปปา ง, ปงบาเพ็ญทุกขการิยาที่จริงตอนนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปนะฮะเป็นพระบูติสัตว์พระท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตลอดถึงว่าการประพฤติ สังัดนี่มันมันเห็นคนไม่ได้พอได้ยินเสียงก็ต้องหลบเสียงได้ยินเสียงก็ต้องหลบเสียงแล้วก็ประพฤติกลัวบาปรังเกียจบาปนี่แต่ต้องอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนสมัยนั้นก็ถือว่าไอ้ไอ้สิ่งมีชีวิตนี่มันอยู่เต็มไปหมดเลยมันก็เหมือน ก, นกับพระเจ้าของคริสนะมันอยู่เต็มไปหมดเลยคือเหยียบตรงไหนามาเจอหัวพระเจ้าเลยเลยก็ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้พวกความคิดของนิโครนมันก็เหมือนกันนะ เพราะว่านิครมมันเกิดขึ้นก่อนพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกไอ้ปราหนะฮะเขาเรียกปราหคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อพระพุทธเจ้าต้องไปทดลองปฏิบัติพระโพธิสัตว์ต้องไปทดลองปฏิบัติก็ไปเหยียบตรงไหนไม่ได้ไปแตะตรงไหนไม่ได้มันทำมันก็อยู่ลําบากมากนะฮะคือคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอจะเหยียบเท้าซ้ายลงก็จะถูกปราห น, นเหยียบเท้าขวาลงก็ถูกปราหก็กระยักกระยักกันเนี่ยมันมันมันก็ต้องเหยียบอยู่อันหนึ่งด้ยก็ทําด้วยความลําบากเป็นทุกข์ทรมาน แล้วข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ทั้งหมดเดี๋ยวเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทรงทดลองมาทั้งหมดไม่ว่าย่างตัวบนหลุมทานเพลิงทรมานตัวครุกขี่เท้าไปนอนอยู่ตามข้อโคไปอดอาหารจนไม่กินอาหารอะไรอะไรแต่งสารพัดทำเลยทำให้หมดแต่ว่ามันก็ทําให้พระองค์ได้หลักได้หลักเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นนักปราชญ์ทางโลกตะวันตกเขากล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางใจไอวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่นะฮะทั้งกล่าวไว้เพราะอะไรเพราะว่าหลักการและวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิทยาศาสตร์ยันยกตัวอย่างในการพอปฐมเทศนาได้โปรดเข้าใจนะฮะพอปฐมเทศนาแล้วพระพุทธเจ้าตีตรงนี้ทันทีเลย ทีตรงไอ้ทุกรกิริยาเนี่ยกับการอาศัยความเพลิดเพลินในโลกียวิสัยต่างๆพระองคทง์ทรงแสดงว่าที่เขากาหนดเป็นพบเป็นภูมิเป็นสถานที่เป็นกําเนิดเป็นรูปแบบของชีวิตอะไรต่ออะไรเนี่ยพระองค์สัมผัสมาหมดหมดเรียกว่าหม ด, มหมดทุกโลกเลยนอกจากสุทาวาสพระองค์เกิดมาแล้วทั้งหมดเลยในใ น, ในเรียกว่าพรหมโลกก็เกิดมาหมดเว้นสุทาวาส5ชั้น แล้วก็นรกอะไรแต่ดีรักชาในต้องเป็นมาหมดเลยทุกชีวิตทําไมไม่เกิดสุทธาวาสเพราะสุทธาวาสเกิดไม่ได้นะฮะมันเป็นที่เกิดของพระอนาคามีพอพอเกิดที่นั้นแล้วก็บรรลุอรหัตที่นั้นก็ก็จบ ก, กันพระพุทธเจ้าไม่เคยบําเพ็ญบารมีขึ้นไปจนถึงเป็นพระอริยบุคคลเพราะถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะต้องเป็นแค่พระโพธิสัตวานนั้น จึงจะบําเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นพระยาบุคคลปั๊บสมมุติว่าเป็นพระโสดาบันปั๊บอย่างน้อยที่สุด7ชาติก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์แล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่เคยเกิดในสุทธาวาสห้าชาติเท่า น, นั้นเองเนื่องจากเป็นที่อยู่ของพระนาคามีนอกนั้นเคยเกิดหมดแล้วแล้วก็ทรงรู้ทรงเห็นตลอดว่าไม่ใช่ทางที่จะนําให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ แล้วพอปมทมมัทเนาก็ตีจุดนี้ทันทีเลยสร้างสองทางที่ไม่ควรเสพซึ่งชาวโลกเขานิยมยกย่องกันในสมัยนั้นพระเจ้าก็เริ่มมาตรงนี้เพราะอะไรเพราะพิสูจน์ทดสอบมาแล้วทำไมจึงถือว่ามีหลักการและวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าจะยืนยันหรือปฏิเสธอะไรนั้นก็ในกรณีที่จะต้องมีการพิสูจน์ทดสอบตามกรรมวิธีตามหลักการตามวิธีการของเขาก็บอกว่าอาบน้าแล้วบริสุทธิ์ ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการอาบน้ําตามวิธีของเขาเขาว่าอย่างไงก็พิสูจน์อย่างนั้นเลยเขาบออดอาหารแล้วก็บริสุทธิ์ก็ต้องอดอาหารตามวิธีของเขาเลยแล้วก็ดูว่ามันบริสุทธิ์จริงหรือไม่และจากหลักนี้เราจะพบว่าพระธรรมเทศนาในตอนหลังนั้นก็คือเกิดขึ้นจากการที่พระองค์พิสูจน์มาแล้วยังยกตัวอย่างที่คราวเสด็จแม่น้ําผูกกาพวกนักบวชเขาลงอาบน้ํากันเต็มไปหมดเลย พระเจ้าเสด็จไปใกล้รับสั่งถามว่าอาบทําไมคือมันเป็นพิธีเขานะฮะพิธีล้างบาปก็อย่างที่มาตมะคันทีเคยเอาคนไปล้างบาปในแม่น้ําคงคาเป็นแสนๆนะฮะก็นี้ก็คือล้างบาปของเขาพระเจ้าก็ไปรับสั่งสนทนาด้วยถามว่าอาบทําไมก็บอกว่าอาบเพื่อล้างบาปแต่ถามว่าถ้าอาบเน่าอาบน้ําในแม่น้ำผูกกาแล้วก็แสดงว่าหมดบาป เขาก็บอกหมดบาปถ้าหมดบาปแล้วเป็นยังไงหมดบาปแล้วก็จะไปอยู่บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระเจ้าก็ตั้งประเด็นขึ้นมาใหม่ถ้างั้นก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ไปอยู่ไปอาบน้ําในแม่น้ำโขกานี่คือลงไปในแม่น้เนี่ก็แสดงว่าบริสุทธิ์ไม่มีบาปเขาก็บอกว่าใช่ถ้าบริสุทธิ์ไม่มีบาปแล้วไปเกิดสวรรค์หมดใช่หรือไม่เขาบอกว่าใช่พระเจ้าก็สรุปประเด็น ว่าก็ถ้าอย่างนั้นไอ้พวกปูปลาเตา่าหอยกุ้งซึ่งเป็นสัตว์น้ํามันก็ต้องไปเกิดมาบนสวรรค์มากกว่าเพราะอะไรเพราะคนเราไปแช่น้ำอยู่ได้ตลอดไม่ได้มันต้องโผล่ขึ้นมาเจอบาปอีกคนหนึ่งในที่สุดพวกนั้นก็จํานวนคือมันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วถ้าบริสุทธิ์พระองค์บริสุทธิ์แต่ต้อไม่รู้อาบน้ำมากี่ครั้งนะก็ไม่เคยบริสุทธิ์สักทีแตก็มีแต่ขี้ฝุ่นทุเรีมันออกได้แต่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้จิตจิตใจก็ไม่ได้บริสุทธิ์ นี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นมาจากการที่พระองค์ได้ทดลองได้พิสูจน์ได้ทดสอบมาด้วยลาําพังพระองค์เองทั้งหมดนะครับตรรมะในพระพุทธศาสนานักวิชาการปัจจุบันที่พยายามบอกว่าเป็นพุทธเป็นปรัชญานะมันก็กจะจัะจายขึ้นมาไอ้ปรัชญาเนี่ยปรัชญาบันที่จริงมันไม่มีอะไรนะครคือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าระบบความคิดในโลกที่เราถือว่าน่าเชื่อถือมากเนี่ยน่าเชื่อถือมากแล้วก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อ มันก็มันเริ่มมาจากในความคิดที่เป็นหนึ่งปรัชญาก็สองเป็นลัทธิหนึ่งปรัชญาไอ้ไม่ไอ้ไอ้คตินิยมต่างๆนั้นมันมั น, ม, นมันเล็กไปนะก็หนึ่งปรัชญาสองลัทธิสามลัทธิาศาสนาแล้วก็สี่ศาสนาศาสน า, านั้นถือว่าเป็นจุดสูงสุดปรัชญานั้นเป็นแนวความคิดของใครก็ได้เพื่อเจอกันคิ ด, ค, ดคิดไปเรื่อยแต่ไม่ได้เคยพิสูจน์ทดสอบอะไรแกก็คิดแกก็ขีดแกก็เขียนแกก็ว่างแกได้ แต่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามีลักษณะเหมือนคนที่เดินไปบนหนทางนี้ตลอดสายแล้วมองเห็นท่าลูกปลุกปงแล้วก็มาบอกมาบอกว่าหนทางนั้นมีอะไรมีอะไรอย่างอย่างที่ทรงแสดงละแสดงไว้ในตอนต้นเนี่ยนี่คือหลักที่เราต้องจับให้ได้ว่าไอ้ปรัชญานั้นไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานอะไรหล่ะเราไปชื่นชมเราเราเพราะว่ามันเป็นคํามันเป็นคําอะไรมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะฮะ คือปรัญาเนี่เราแปลมาจากไอพี่โรโซฟี่พีโรโซฟี่นั้นแปลว่ารักในความรู้มันมันก็ไม่ใช่ปรัชญาเพราะว่าปรัชญานั้นคือปัญญามันเป็นภาษาสันนิพนธ์แปลแล้วความมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ชื่นชมกันแล้วก็นักวิจารณ์สมัยใหม่เนี่ยพยายามจะให้พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาโดยถือว่าโก้แต่แท้จริงพระพุทธศาสนาคือศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช้ไม่เคยใช้คําว่าปรัชญาแต่ทรงใช้คําว่าพรหมจันทร์ ทรงใช้คําว่าธรรมวินัยทรงใช้คําว่าสัตธรรมคําที่ทรงใช้นี่ใช้คำว่าศาสนานะฮะพรหมจันทร์ธรรมวินัยสัตธรรมาศาสนาใช้คํว่าสามคาแต่คําว่าศาสนาเนี่ยว่าจริงก็เริ่มมาจากที่หัวใจาศาสนาที่เราได้ฟังกันในอวตารปาติโมกเมื่อตอนมาคะเนี่ยที่ทรงใช้คําว่าเอตังบุทานศาสนาังนี่ก็เป็นคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลาย บางทีก็ใช้คำว่าธรรมวินัยนี้บางใช้คำว่าพรหมจรรย์ น, นี้อย่างเช่นว่าพระที่เข้ามาบวชก็ในตอนต้นจริงๆที่เรียกว่ารับสั่งโดยเอหิภิขุปสัมปทาเนี่ยก็รับสั่งโดยประโยคสั้นๆว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเกิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งแห่งทุกข์โดยชอบเธอก็เท่านั้นก็ใช้คาว่าสัตธรรม แต่ว่าตอนสุดท้ายจริงๆนะฮะตอนสุดท้ายจริงใช้คําว่าธ ร, รมวินยัยคือตอก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพา น, นก็รับสั่งว่าทำวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำเลวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงรับไปแล้วนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคําที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นไม่เคยใช้คําว่าปัญญาไม่เคยใช้คําว่าปริญญา ในความหมายของฟิโลโซฟีนะฮะแต่ถ้าถือว่าปัญญาก็ได้ถ้าปัญญาในความหมายถ้าปรัช ญ, ญาในความหมายของปัญญานั้นก็เคยมีนะฮะมีในสารสูตรหรือถือว่าจะ แ, แสดงเป็นรูปของต้นไม้นะฮะแสดงเป็นรูปของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันก็มีทั้งหมดมีทั้งเปลือกมีทั้งกระเทาะมีทั้งก ะ, ะ, งกะพีมีทั้งเนื้อมีทั้งแก่น ในพระธรรมินัยนี้มันก็เริ่มมาจากเปลือกถ้ามันจะจากเปลือกนอกมาถึงแก่นแล้วก็ส่งแสดงในส่วนผลส่วนผลว่าปัญญานั้นเป็นแก่นแต่ส่วนเหตุก็คือจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสหรือวิมุตตนันก็เป็นแก่นก็แล้วแต่บางทีอย่างที่ทรงแสดงอุปมาเรื่องพระธรรมินัยเหมือนมหาสมุทรทรงใช้คำว่าวิมุตตนั้นเป็นแก่นคือเ ป, เป็นเป้าหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนาวิมุตตก็คือนิพานคือนิโรธนะฮะความหมายเดียวกันแต่ถ้าแดงในส่วนเหตุคือการทำหน้าที่กระจัดกิเลส ก, ก็แสดงว่าปัญญาเป็นแก่นก็พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของศาสนาเราไม่จำเป็นจะต้องไปไปพยายามเป็นนักปรัชญาอะไรกับเขาหรอกเราเหนือกว่าปรัชญาตั้งริบเลยนะฮะเพราะว่า ที่บนปัญญามันก็ยังมีลัทธิซึ่งมีเหตุผลดีกว่าปัญญาเพราะว่าเขาสามารถทดสอบปฏิบัติเช่นลัทธิต่าอย่างเงี้ยฮะลัทธิต๋ามันก็คมคายกว่าปัญญาต่างแยะเพราะว่ามีเยอะที่ท่านปฏิบัติได้หรือลัทธิขงจื๊ออย่างเงี้ยท่านก็ปฏิบัติได้แยะแล้วก็มีการทดสอบกันมาแล้วหรือลัทธิศาสนาเช่นพวกฮินดูเนี่ย ฮ, ฮินดูนั่นก็ถือว่าเป็นลัทธิศาสนาในแง่วิชาศาสนาเขาไม่ถือเป็นศาสนาะแต่ว่าปัจจุบันเราพูดแบบประณีประนอมกันเฉยๆว่าเป็นศาสนา เพราะาศาสดาไม่มีาศาสนาฮินดูมันเป็นความเชื่อถือกันมาแต่โบราณตัวองค์ศาสดาจริงๆไม่มีมันขาดขาดคุณสมบัติของความเป็นาศาสนาไปข้อหนึ่งแล้วตัวตัวาศาสนาจึงถือว่าเป็นจุดสูงสุดของพัฒนาการในด้านจิตใจของมนุษย์แล้วก็มาจบที่การสาตรูเท่านั้นเองไม่มีาศาสนาอะไรที่จะเหนือไปกว่าการสัสรูอีกแล้วนะครับ เพสมมุติว่าใครจะมีศาสนาอะไรเกิดขึ้นมาใหม่มารู้ใหม่มันก็ย้อนรอยก็ย้อนรอยกลับมาตั้งต้นกันใหม่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นระดับลทัทธิอาจจะเป็นระดับลัทธิศาสนาแต่ก็ไม่เข้าถึงความสมบูรณ์โดยรูปของศาสนาที่เกิดขึ้นจากการศาสรุปต่อจากนั้นเมื่อรับสั่งล่า ว, ว่าพระองค์นั้นทรงรู้ทรงรู้รายละเอียดที่เกี่ยวกับคนน่ะ ก็คนในด้านจิตใจในด้านอัธยาศัยอะไรต่างๆอย่างกลาวเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าไปเทศไปสอนใครไปเทศตามจิตความคิดของแกในขณะนั้นอย่างยางยกตัวอย่างเช่นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ อ, ม, อมานัททัตรพราหมณ์ซึ่งไม่เคยให้ความเคารพนับถือไหวแม่แต่แม่พ่อแม่ของตัวเอง่มันก็นด้างมาก พอรู้ขา่าวพระพุทธเจ้าสเสด็จแก่ก้าไปใจก็คิดไปตั้งตั้งแต่บ้านนะใจคิดไปจากบ้านว่าถ้าพระพุทธเจ้าทักแกนะแกจะคุยด้วยถ้าไม่ทักแกแกจะไม่คุยด้วยไปนั่งพระพุทธเจ้าก็รู้ความคิดแต่ไม่ทักถ้าแกก็ชักคือมันคิดไม่พอใจขึ้นมาเรืคนก็ไางอยู่แล้วเนี่ยฮะ เราคิดว่าตนจะต้องได้เกียรติใหญ่โตเมือม่อเมือม่อเมื่อไอเกียรติที่ตนคิดว่าควรจะได้มันไม่ได้ก็เกิดปฏิฆาขึ้นมาก็ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใ จ, อ, ใจออกมาแล้วในที่สุดมันก็ออกความคิดเฮ้ยไปสมนาคโพดมนี่โง่มันก็คิดขึ้นมาเองฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็รักสั่งว่าพรามณ์คนเรามาีมาณจัดนะมันไม่ดีหรอกแกก็ตกใจฮะเพราะว่าแกไม่ได้พูดแกคิดเอาแล้วก็ก้มลงกราบพระพุทธเจ้า ปฏิญาณตัวเป็นลูกศิษย์ไปได้นี่เพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ความคิดรู้ความคิดที่สิ่งที่ที่าจากการรู้ความคิดเนี่ยมันก็นำมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนคือแทนที่จะให้พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของเราเราก็มารู้ความคิดของเราเสียเองเพราะในหลักแนวการรู้ความคิดนั่นก็คือหลักของจิตตานุปัสสนา จิตารอปสนาที่เราดูสภาพจิตของเราเวลานั้นจิตเรามีราคะหรือว่าไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะมีสมาธิไม่มีสมาธิอะไรต่อะไรเนี่ยที่จริงนี่ก็เกิดขึ้นมาจากพระองค์รู้สภาพจิตของคนเพราะคนนี้จิตมีราคะจัดมีราคะน้อยไม่หรู้ไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะอะไรเนี่ยมันก็เริ่มมาจากนั้นแต่ว่าจะให้พระพุทธเจ้ามานั่งอ่านจิตอยู่มันก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับเหมือนกันอะไรเหมือนกับอาจารย์มั่นไปอ่านอ่านจิตดวงตาที่ อะไรที่นครนายกคือคือการอ่านจิตนี่ไม่ได้มันเป็นอันตรายมากพระพุทธเจ้าเองทั้งๆที่รู้นั้นจะไม่ว่าอะไรไปตรงๆคือจะแสดงธรรมะคลุ่มๆเพราะคนถ้าเกิดว่ารู้ความคิดแล้วทำให้คนที่อยู่ใกล้เคียงมันเกิดเครียดยแรงๆเลคือไม่รู้ว่าท่านจะทักท้วงขึ้นมาตอนไหนท่านคิดของท่านยังไง แล้วเกิดรู้ความคิดถ้าเราคิดเกิดไม่ดีขึ้นมาเราคงจะยุ่งกันใหญ่อะไเนี่ยก็เหมือนกับภิกษุรูปหนึ่งก็มีท่านไปบําเพ็ญเพียรในป่านะก็ไม่ใช่ป่าเรา ก, ก็มั้ใกล้บ้านนะคือพระอีกชุดหนึ่งนะท่านไปชุดก่อนนะท่านไปแล้วก็ไปถึงก็ปรากฏว่ า, อาสอนกรรมาฐานกันนะไอ้อุบาสิกาซึ่งเป็นลูกศิษย์นั้นบรรลุอนาคามีก่อนอาจารย์ อาจารย์ยังไม่ได้อะไรเลยลูกจีบไปแล้วพระนาคาเมีท่านก็ตรวจสอบเอออาจารย์เราทําไมไปไม่ได้ปรากฏว่าท่านลําบากมากลําบากเรื่องอาหารลําบากเรื่องที่อยู่ลําบากเรื่องอาหารพอพ อ, พอนั่งกรรมาฐานเขานอยบางทีมันก็หิวท้องโครกๆนั่งกรรมาฐานไม่ได้เป็นสมาธิเลยอุวาติกาเขาช่วยแก้ให้หมดเลยมีปัญหาอะไรท่านแก้ให้หมดเลยมันก็การตำแนวของสับปลายะที่เคยพูดไว้มันก็แก้ที่สับปลายะ เรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องอารมณ์เรื่องอากาศอะไรต้นนี้แล้วท่านก็บรรลุแล้วก็กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกแม่ปฏิบัติสะดวกเพราะอุบาติการท่านรู้ความคิดท่านช่วยบริการให้หมดแล้วก็เลยมันก็เดินได้บรรลุมากผลมาหมดองค์นี้ก็อยากจะไปด้วยไปองค์เดียวไปถึงปรากฏว่าท่านคิดอะไรอุบาติการจัดให้หมดท่านเอชักยังไม่ชอบกวนอัเนี้ย เรเนี่ยมันเป็นปุถุชนเนี่ยเผลอๆไปไคิดอะไรนอกลูก่นอกทางอุบาติการู้เลยมาขายหน้าจังไงเลยกลับเลยไม่กล้าอยู่กลับมักฟ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่กล้าอยู่กลัวกลัวความคิดของอุบาติกาแกแกรู้ความคิดหมดเนี่ยก็ไม่รู้มันเผลอๆไปคิดออกนอกทางไปแล้วก็แย่พระพุทธเจ้าบอกให้ไปที่นั้นนี่ยอย่าคิดไปในอารมณ์ภายนอกอย่าคิดไปในอารมณ์ภายนอกแล้วเธอก็จะปฏิบัติได้อุบาติกาก็ ถวายความสะดวกตามที่ท่านคิดรู้แต่เนื่องจากภิกษุเหล่านี้แกเกาะอยู่ที่กรรมฐานแกไม่คิดเรื่องอื่นเนี่ยเกาะที่กรรมฐานอย่างเดียวเลยก็ปฏิบัติไปก็ได้แต่ว่าบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าท่านเกิดคิดอ อ, ออกไปนอกเรื่องนอกนอกรูนนอ ก, ก, นอกทางอาจารย์มั่นในท่านนั่นต่อมาที่หลังในท่านไม่เคยใช้นะฮะวิธีเนี้ถึงแม้จะรู้ก็ไม่พูดเพราะลูกศิษย์เคยหนีท่านไปก็เจอกระเจิงไปทีนึง หรือท่านไปท่านไปพูดตามความคิดของท่านตอนกลางคืนน่ะองนั้นไปคิดอะไรอุตรลดไปหมดเลยแล้วท่านก็เกิดไปพูดเปลยขึ้นมาอง์นั้นก็รู้อาจารย์รู้ความคิดเลยหนีหนีขึ้นไปทางเหนือก็หายไปไลยนี่นี่ น, นี่ซึ่งเป็นเป็นเรื่องของอันตรายเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้วิธีแสดงธรรมะคล้อยตามความคิดท่านั้นเองแต่ไม่เจาะไปที่ความคิดคนเพราะทําให้คนคนเราซึ่งซึ่งซึ่ ง, งยังอยู่ในอานาจของใจนะ ไม่รู้คิดเรื่องอะไรบ้างลำบากแล้วในที่สุดก็สอนให้มาให้เรามาวิเคราะห์จิตของเราเนี่ยดูจิตของเราเองไม่ต้องไปไ ป, ไปให้คนอื่นเขาดูแล้วก็แก้ทางของจิตเองตำหลักของจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยดูไปจิตมันเป็นอะไรเวลานี้มีราคะราคาเป็นโทษเป็นโทษก็ต้องบรรเทาราคะบรรเทาราคาบรรเ ท, า, ร า, า, เท า, ร า, าด้วยอะไรนะเราก็พิจารณาไปกรรมฐานก็มีบรรเทาด้วยกายกตาสติ ดูความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายสาธยายอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปก็แก้แก้กันไปแก้ที่จ well ิตตัวเองเราดูจิตตัวเราแล้วก็เราก็วิเคราะห์ตัดสินแล้วเราก็แก้ทางของเราเองนี่ก็คือหลักที่พระองค์รู้จิตคนเนี่ยแต่ก็มาสอนเป็นรูปของกรรมฐานคือแทนที่พระองค์จะบอกก็ให้เราบอกตัวเราเองก็ตามหลักอะไรครับพิจารณาตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตน ทีนี้แล้วในที่สุดก็มาสรุปดังที่กล่าวแล้วนะครสรุปว่าพระองค์นั้นเหมือนคนเดินทางเดินไปตามหนทางแล้วก็กลับมาบอกตรงนี้คือจุดใหญ่นะจุดใหญ่เราจะเห็นอยู่สองจุดที่สําคัญแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ดำสํานวนของนักวิจัการปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าจะไม่ปฏิเสธหรือไม่ยืนยันอะไรในในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยพิสูจน์ทดสอบมาด้วยพระองค์เองจนรู้ประจักษ์ว่าจริงหรือไม่จริง มันไม่ใช่เอากันแบบข่าวลือคือพูดโทนี่ฮะแปลว่าตื่นนะฮะแต่ว่าตื่นแล้วก็ตื่นจากกิเลสเลยตื่นจากกิเลสตื่นจากความเข่าต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายจากพฤติกรรมที่ในระยะเนี้ในระยะสิบกว่าวันมาเนี่ยคือคื อ, ค, อคือเราเห็นในภาพสะท้อนของกิเลสอย่างเมื่อคือจังควรย่าจุกุลสององค์เขฟังบอกหมายธรรมะพระพุทธเจ้านี่เยี่ยมจริงๆ มันมันออกมาเป็นภาพที่เราเห็นเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยทรงแสดงถึงชุดหนึ่งนะฮะเรื่องเรืงความรักความรักเกิดเพราะความรักความรักเกิดเอ่อเกิดเพราะความโกรธเอ่อความรักเกิดเพราะความเกลียดฮะความเกลียดเกิดเพราะความเกลียดมันก็หมุนกันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวัตจกักรแล้วเรามาวิเคราะห์ที่พฤติกรรมของคนได้เลยว่าเนี่ยไอ้นี่ที่จริงมันก็เริ่มมาจากรัก แล้วมันก็รักต่อไปไอ้ตรงนี้มันก็เริ่มมาจากรักแต่บ้างมันก็กลายเป็นเกลียดไอ้ตรงนี้มันเริ่มมาจากเกลียดแต่มันกลายเป็นรักไอ้ตรงนี้มันเกิดมันเริ่มมาจากเกลียดแต่มันกลายเป็นเกลียดต่อไปมันก็กลายเป็นเป็นเป็นวนกันเป็นแถวเลยมีลักษณะเหมือนเหมือนกังูอะไรงูกินหางไงที่ที่ที่เด็กมันเล่นกันเอ่อทำให้เห็นในขบวนการของธรรมะแล้วก <lex> ็เวลาแกไปปรากฏในจิตใจของคนแล้วแกสัญญานออกไป กลายเป็นพฤติกรรมที่พิสูจน์ตัวเองได้ทุกยุคทุกสมัยเลยก็ยังนึกถึงนางอัมบปาลีกานิกาฮนะท่านเป็นหญิงที่สวยงามมากเมื่อก่อนในตอนสาวๆต่อมาแล้วท่านบวชท่านบวชแล้วก็ท่านมานั่งพิจารณาจากผมของท่านถึงปลายเท้าเลยตอนแก่นะฮะพิจารณาเปรียบผมสมัยสาวๆเป็นอย่างนั้นสมัยนี้เป็นอย่างนั้น แล้วก็เสร็จแล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจจะดีเที่ยงแท้หนออะไรแต่เปรียบมาอย่างงี้มันไพเราะจริงๆฮะนี่เพราะอะไรเพราะมันดูได้เห็นได้ประจักษ์ได้ว่าสิ่งที่สอนไว้ทั้งหมดนั้นไม่มีความวิปริตแปรพันธ์ไปในประการใดว่าย่งไงเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้จุดที่มีปัญหาในบ้านในเมืองเราก็คือว่าเรามักจะปฏิเสธอะไรแล้วก็ไปยืนยันอะไรโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรโดยทําไป แล้วเราก็คุยว่าเราเป็นนักวิทยศาศาสตร์อย่างอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างที่ท่านศึกษานิเทศคนนี้ที่ส่งหนังสือมาให้เมื่อวานเนี่ยที่จริงความคิดความอ่านในนั่งคมเยอะนะฮะนั่งคมเยอะแต่ว่าเมื่อท่านมาตัดตัวหัวหัวหลักในการปฏิบัติธรรมะระดับสังสารวัฏคือถ้ามาตัดกรรมกับตัดสังสารวัฏมันก็จบเลิกไม่ต้องทําอะไรแล้วคือคือ หมาโจรกับพระหรหันต์ก็เท่ากันน่ยคนเราถ้าตายแล้วคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวมันก็เท่ากันจะนั่งกรรมฐานปวดเสียวทําไมก็รักษาแก่ศีลห้ามก็พอแล้วนี่คือคือมันเสียที่ฐานเสียที่หลักแต่ว่าความคิดความอ่านส่วนอื่นก็คมคมอยู่เยอะก็ไปดูแล้วก็คมคมอยู่เยอะยกตัวอย่างที่ที่เห็นแกนยกมาแต่ก็อ่านผ่านๆ น, นะฮะคือคือคือพวกเราในบางทีมันก็เป๋ ใจก็ถามมาศีนห้าในข้อไหนสําคัญที่สุดแล้วไปตอบเอาได้ว่าข้อที่ห้าสำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าเรียงไปตามความสําคัญแล้วเราไปยุ่งก็ทําไม่ก็เรียงว่าอย่างนั้นแล้วมันก็ถูกต้องแล้วเนี่ยฮะคนเราชีวิตมันสําคัญที่สุดเพราะงั้นการฆ่าชีวิตจึงถือว่าบาปที่สุดก็เท่านั้นนะฮะต่อมาก็ทรัพย์ต่อมามันก็คู่ครองเพราะคู่ครองนั้นไม่ไม่ได้ทําลายนะฮะแต่ไปเป็นเป็นการละเมิด แล้วก็ต่อมาก็เป็นการหลอกลวงกันก็หลอกลวงกันก็มีความหนักความเบาถ้าไปถึงก็เกิดผลเสียหายมันก็บาปหนักไอ้สุรานั้นว่าที่จริงมันไม่ใช่กรรมกิเลสนะฮะมันเป็นอบายมุกในชั้นของศีลห้าแต่นั้นเองที่มาอยู่ในศีลนะแต่ในชั้นก็ธรรมะแกไปอยู่ที่อบายมุกไม่ได้อยู่ที่กรรมกิเลสกรรมกิเลสแกมีสี่ข้อแต่นั้นเองคือจากข้อ1ถึงข้อสแล้วครูนี้ก็ยกตัวอย่างมาฟังเออแกก็เข้าใจทํามานี่ก็ แสดงถึงว่าเป็นก็นักศึกษาค้นคว้าดีแต่นั่นแหละคือไปไปตัดคล้ายๆกับว่าไปตัดหัวใชไปตัดหัวคือปฏิ เ, ฏเสธกรรมทางสารวัตรแล้วก็หยุดนะฮะไม่รู้ทําไปทําไมเราไม่มองไม่เห็นอนาคตอะไรเลยจะดับกิเลสจะนิพพานกันนิพพานไปทําไมเหรอนิพพานก็ไม่ต้องเกิดได้คนไม่นิพพานคนที่ฆ่าคนมันก็ตายแล้วไม่ต้องเกิดเหมือนกันมันก็คือกันนะ่ะ ก็ไม่เห็นเป็น เ, รรเป็นอะไรก็รักษาตัวรักษาตัวสบายๆไว้ในชาติปัจจุบันเอาขนาดสี่ห้าก็พอแนละ้วไม่มีเวรมีภัยอะไรไกลๆก็พอแนละ้วนี่คือมันเป็นการผิดถนัดรุนแรงนะฮะผิดจากหลักที่เป็นพระญาณของพระพุทธเจ้าแรงมาก เ, เพราะเราไปปฏิเสธพระญานของพุทธเจ้าทั้งสองข้อพยานสามข้อเราปฏิเสธแสองข้อที่จริงมันก็ปฏิเสธอาสวัคายานด้วยนะปฏิเสธอย่างนั้นนะ เราไม่รู้ทำให้อาสวะสิ้นไปทำอะไรเนื่องจากขีนาชาตินะฮะชาติสิ้นแล้วพบใหม่ไม่ได้มีแล้ ว, <_ S 1> ลวก็ตกลงว่าคนเราถ้าเกิดทนเดียวตายคนเดียวพระอาหารหันต์กับหมาจงก็เท่ากันอย่างว่าเนี่ยเราก็ก็ไม่รู้จะปฏิบัติให้ให้ลำบากทำไมนักหนานี่คือพลาดในหัวข้อใหญ่ซึ่งซึ่งซึ่ ง, งทำไปคนก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรทีนี้ในตอนสุดท้ายนั้นได้เล่าถึง คือแสดงพระสูตรนี้แสดงในตอนปลายมากนะฮะตอนปลายพุทธสมัยมากองทรงแสดงให้เห็นถึงว่าคนเราส่วนมากก็มักจะพูดว่าถ้าอายุอนามแก่แล้วความจําเสื่อมแตว่าที่จริงก็จริงนะฮะที่จริงก็จริงแต่สําหรับพระพุทธเจ้าเองแล้วพระชนมายุตอนนั้นก็รักษั่งว่า80ดสิบนะคงจะปีย่าง80ดสิพระภาษาดิบุตรท่านนิพพานปีที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอายุย่าง80 เราแสดงว่าเป็นพระธรรมเทศนาในปีสุดท้ายพระสั่งว่าพระองค์มีอายุแปดสิบแล้วแต่ว่าความจำสติปัญญาสายตาในทุกอย่างไม่มีปัญหาะไรเลยคื อ, อยังเหมือนเดิมครับนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงหเห็นว่าความรู้นั้นมันเป็นญาณไม่ใช่เป็นความรู้ระดับธรรมดาซึ่งข้อนี้เราไม่ต้องเอาระดับญาณหรอกครับเอาระดับความชนานาญ ระดับความชํานาญที่เรียกว่าเข้ากระดูกเข้าถึงใจเลยเข้าถึงกระดูกท่านเหล่านี้ถึงแม้จะแก่ไปอะไรอะไรท่านก็เก่งท่านก็ปราดเปรื่องอย่างนูเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังทีหนึ่งที่ท่านจรุญพันุเล่าให้ฟังถึงเสด็จในกรมเสด็จในกรมหมื่นนราทิย์ท่านพันปราดเปรื่องจริงๆนะองค์เนี้ยขนาดพวกจบด็อกเตอร์มาจากนอกไปร่างหนังสือมาให้มาถวายให้ตรวจเนี่ย พวกนี้ร่างกันตั้งสาวันคุณจะรุนพันธ์เล่าว่าท่านร่างอยู่สาวันเอาม า, าส่งกับเสด็จในกรมสวดท่านขีดไม่ถึงสองนาทีหมดแล้วคือมองปลาสเดียวท่านเห็นหมดเลยจุดไหนเป็นจุดบอดเนี่ยว่าให้แก้มาใหม่ตรงไหนแก้ใหม่ในลากพือเๆๆไปต้องเรียนถามว่าทำยังไงถึงจะดูได้ท่านบอกว่าของเธอมันอยู่ที่หัวของฉันมันอยู่ในพุงคือคือคือมันออกมาได้ทันทีเล นี้เป็นความชำนิชำนาญความปราดเปรื่องของท่านมีประเทศราของเราเป็นจํานวนมากนะฮะคือถามปั๊บตอบปุ๊บถามปั๊บตอบได้ปุ๊บทันทีเลยนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าท่านชนานาญน ะ, ะทา่านคล่องแคล่วเรื่องนั้นอยู่ในคำเภีร์อะไรเล่มไหนบางบางทีก็บอกสูตรให้เสร็จเรียบร้อยอยู่หน้าที่แต่ไหนบอกให้เสร็จ นี่เพราะอะไรเพราะมีการกระทาบ่อยๆทำสืบต่อแต่ไม่ใช่ญาณ น, นะอันนี้ไม่ใช่ญาณบางทีท่านก็หลงได้เหมือนกันแต่เขาพ อ, พอจะรู้คล้ายๆกระพร้าวว่าอยู่เล่มนั้นแถวแถวนั้นอะไรอะไรเนี่ยเอ่อนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าที่ประกาศบรรลือศีีณานาะ บรรลือเสียงนาฏให้เห็นว่าทั้งหมดที่คนเขาคุยคุยกันทั้งหมดนี่อะไรทั้งหมดนี่พระองค์ผ่านมาแล้วทั้งหมดทุกการกริยาก็ผ่านมาแล้วการมาสุขันริโยกเอ่อการมาสุขันริการุโยกก็ผ่านมาแล้วแล้วยานระดับทางต่างที่นักปรารถนาบัณฑิตทั้งหลายความรู้ระดับต่างๆพระองค์ก็ขึ้นมาหยุดหยุดสุดยอดของทศพลรยาน หื อ, อยาที่เป็นกําลังของประทศผลทั้งสิประการและทําให้รู้อะไรได้โดยท่องแท้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเลยซึ่งซึ่งข้อนี้เราจะดูที่ตรงไหนนะฮะไอ้จริงหรือไม่จริงเราดูที่ผลมันเป็นผลที่เกิดขึ้นเช่นเช่นก็บอกว่ายาเนี่ยแก้ปวดหัวอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ผลอ่ะดูที่ผลนะถ้ารประทานแล้วหายหายปวดหัวมันก็เออยาเนี่ยก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่การโฆษณา การโฆษณานั้นแน่นอนยิ่งยาไทยแล้วก็ฝอยท่วมหลังชา้างยิ่งยาผีบอกยิ่งไปอ ย, ยังคู่คนอื่นมาอีกปัจจุบันนี้มีเยอะไอย้ายาไอ้ไอ้ไู่คนอื่นมาเนี่ยต้องคัดลอกต่อไปห้อีกเจ็ดคนทำไมาอย่างนั้นจะประสบความพิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปเอามาก็ยังได้รับบ่อยๆนะยังเก็บสุกๆเอาไว้ก็ไม่เห็นมันพิบัติอะไร ท, ทักจีคือเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องรายสาระเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่รายสาระแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมันพิสูจน์โดยผล พิสูจน์โดยผลว่าผลนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆที่ทรงแสดงอย่างไรอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างพระพุทธเจ้าจสรู้จะรู้อะไรจสรู้อริยสัจสว่าจะทําได้เฉพาะพระองค์หรือว่าคนอื่นทําได้ด้วยเลยเอามาเทศมาเท ศ, มาเทศพอพระโกนทัญย่ท่านรู้นะท่านรู้ตามที่พระองค์รู้พระองค์รู้ยังไงท่านก็รู้ตามอย่างนั้นแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่สูงเท่ากันนะฮะ พระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งว่าอัญญาสิวัตโพกวทันโยอัญญาสิวัตโพกวทันโยกวลทัญยะได้รู้แล้วกนทัญญะรู้แล้วก็แสดงว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พระองค์จัดสรุนั้นไม่ใช่พระองค์จะจัดสรุได้เพียงคนเดียวคนอื่นก็จัดสรุตามได้แล้วก็อย่างที่รู้เรื่องราวในคัมภีร์พระพุทธศาสนากันมาแล้วแล้วผลส่วนอื่นๆคือระดับที่ลดหลั่นลงมามันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่า พระองค์ได้เดินมาบนหนุนทางนั้นแล้วทั้งหมดเลยแล้วก็มาบอกกล่าวชี้แจงแสดงให้ในสิ่งที่พระองค์สัมผัสมาด้วยพระองค์เองถ้าหวานก็พระองค์หวานของพระองค์เองไม่จะบอกเขาว่าอย่างนี้นะแต่พระองค์ลิ้มรสหวานนั้นมาแล้วเปรี้ยวก็เคยเปรี้ยวมาแล้วเค็มก็เคยเค็มมาแล้วก็บอกว่าเสร็จนี่จึงเป็นจุดหนึ่งะฮะจุดหนึ่งจึงถือว่าเป็นจุดที่สาคัญพอๆกับการยืนยันปฏิเสธในสิ่งที่ เรายังไม่ได้พิสูจน์ทดสอบนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะพระองค์พิสูจน์ทดสอบมาแล้วแล้วผลต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆนั้นพระองค์เดินมาแล้วเหมือนทางที่พระองค์เคยเดินมาแล้วแล้วก็มาบอกอย่างที่อามาเคยยกอุปมาตัวอย่างให้ยกตัวอย่างนี้ขึ้นไปอาจารย์อาจารย์สิริพุทธสุขจึงเป็นอาจารย์ทังฟังทางโทรทัศน์ท่านดีใจมากเลยตัวอย่างนี้ ขอลอกเทปไปพิมพ์แปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ทั่วโลกที่จริงมันเป็นตัวอย่างธรรมดานะฮะเป็นตัวอย่างธรรมดาแต่ว่าคือเราไม่เคยคิดกันอามาเองก็อาศัยนัยยะตรงนี้แต่ว่าเราพูดตรงนี้มันรู้สึกคนฟังยากแต่นั่นเองเราก็บอกพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาทองอตอนนั้นในตึกธนาคารกรุงเทพยังไม่เกิดบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ที่จริงมันควรจะยกธนาคารกรุงเทพมันสูงกว่า น, น่อย บอกว่าเมือ่อเมื่อคนที่ขึ้นไปยืนเมืนยอดผูกขาทองแล้วมองไปรอบทิศทางแล้ลงมาบอกคนข้างล่างว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นคนซึ่อยู่ข้างล่างนั้นทำยังไงครับปฏิเสธเลยนะปฏิเสกก็ได้แต่มันได้อะไรฮะมันได้แต่มันไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าจุดที่พระองค์เห็นนั้นสัมพันธ์กับจุดที่พระองค์ยืน นี่คือประเด็นที่เราต้องจับให้ได้ยืนตรงนั้นเห็นตรงนั้นได้ยานนั้นรู้อย่างนั้นได้ยานนี้รู้อย่างนี้ได้สมาธิชั้นนั้นผลนิวรณ์ข้อนั้นสงบได้สมาธิชั้นนี้นิวรณ์ข้อนั้นสงบปัญหาสําคัญว่าเราก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองอย่างแรกก็คือฐานตถาคตโพสิทธาจังกลรแล้วคือเชื่อตามที่พระองค์ทร ง, สงสแสดงไว้ว่าพระองค์รู้เห็นด้วยพระญาณของพระองค์จุดที่รู้เห็นนั้นสัมพันธ์กับจุดของพระญาณ หรือเหมือนเมือนกับการเห็นทิวทัศน์นั้นสัมพันธ์กับจุดที่เขายืนหรือขึ้นไปขึ้นไปในจุดเดียวกันขึ้นไปยืนในจุดเดียวกันแล้วถ้าไม่เห็นก็ค่อยว่ากันที น, นี้เราก็มีตัวอย่างบุคคลที่บุคคลที่ยึดมั่นในศรัทธาเรายังไปไม่ถึงเราก็เชื่อไว้กันแต่โลกศาสนาไม่ได้สันเสริญเพียงจุดนี้นะฮะ ไม่ใช่สรรเสริญเพียงจุดไว้เชื่อไว้ก่อนโดยไม่ได้ทดสอบพิสูจน์อะไรแต่ต้องเราต้องรับไว้ก่อนต้องรับไว้ก่อนมั่นเหมือนกับเขาเขาส่งของให้อย่างเนี้ครับส่งของให้เราก็เชื่อว่าคนในส่งของให้ก็ของขอ ง, ของดีแนะ่แต่ว่าเราก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ตามที่ท่านบอกเอาไว้จึงจะได้รับผลจากการจากของที่ท่านส่งให้จริงๆแล้วพอขึ้นไปถึงในจุดนั้นๆเราจะเห็นว่าก็ไม่ต้องอะไรละฮะจุดจุดจุดระหว่างพวก อบายมุขพวกศีลห้าพวกธรรมดาเนี่ยพวกพรหมีหารพวกเมตตากรุณาเมตตาพวกเว้นอคติหรือพวกสมาธิพวกกรรมฐานว่าถ้าจิตมันสงบถึงจุดนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดปีติโดยเฉพาะพวกอะไรพวกปีติเนี่ยตัวปีติกับพวกนิมิตเนี่ยเราก็เห็นกันได้ง่ายๆนั่งทิ้งส่วนมากปีติมันก็เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะทำให้ฟุ้งเกินไปนะถ้าฟุ้งเกินไปก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ที่ผลอ่ะ เราจะเห็นว่าผลทุกขั้นตอนนั้นเป็นผลที่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาแล้วหมดท่านสัมผัสมาแล้วแล้วท่านก็บอกทัานบอกพอบอกพอเราเดินไปอีกมันก็สัมผัสเช่นเดียวกันสัมผัสไปได้เรื่อยนะฮะตั้งแต่เนี่ยตั้งแ ต, ต, งแต่ตั้งแต่พื้นพื้ น, นตั้งแต่พวกเว้นอบายามุกไอ้ละชั่วประพฤติดีธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนี่ยจนขึ้นไปจนถึงมรรคนิพพานเป็นสายทางเป็นหลักวิชาทั้งหมดที่พระองค์พิสูจน์ตรสอบมาแล้ว เพราะในความดีของอะไรก็ตามต้องดูที่ผลตอนดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมวิธีอจากหลักการจากวิธีการที่ท่านแสดงเอาไว้เว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้จะปฏิบัติอย่างนี้ผลจะอย่างนี้เพราะในคําสอนที่ว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยการกินผักอย่างเนี้มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะถ้าว่ากินผักแล้วก็บริสุทธิ์มันโอ้ก็พวกควายประวอมเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้ แต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผลจะต้องออกมาเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นเดียวนี่ก็เป็นหลักที่สามารถท้าทายโลกเลยบรรลือเรียกว่าบรรลือเสียหน้าจึงจึงจึงจึงใช้คําว่ามห า, ห า, าสีหนาจะสุดเป็นประสูตรที่ ท, ทรงบรรลือดุดราชสีขนาดใหญ่เลยคือคือกระจายออกไปหมดเลย เป็นการประกาศฐานะพระองค์โดยเปิดเผยแล้วไม่ขั้นครามแล้วก็ใครก็ไม่กล้าค้านเพราะว่าเป็นเรื่องจริงๆไปค้นเรื่องสมมติเราไปยัยทวงติ่งเรื่องสวรรค์นรกพระองค์ก็พิสูจน์ได้ได้จริงๆไปทวงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอนัตตาเรื่องอัตตาเรื่องอริยศาสตร์อะไรอะไรก็พิสูจน์ได้ได้ทั้งหมดนี้จึงถือว่าเป็นพระสูตรที่เป็นหลักอย่างหนึ่งฮะเป็นการบรลือเสียงนาฏของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งก็ใช้เวลาว่ามาตั้งแต่ไรตั้งสครั้งสี่ครั้งก็ ยุติด้วยประสูตรนี้ก็จบนะฮะโดยสรุปก็จบแต่ยังมีมีเนื้อหาพิเศษอีกมากก็คงจะไปเจอในประสูตรอื่นจึงยกไปพูดในประสูตรอื่นต่อไปสาหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้และขอความเจริญงอกงามในทาัานจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว